เวลาเป็นสิ่งที่เราควรหวงแหนเอาไว้เพราะเรานะ่ะมีเวลาที่จะอยู่บนโลกนี้อย่างจากัดการเสียเวลาของชีวิตจะเป็นการสูญเสียสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งเวลาที่เราเสียไปแล้วจะรับนับพันล้านมาแลกกลับคืนมาก็ไม่ได้ และเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้นำความแก่ความเจ็บและความตายมาให้นั่นหมายถึงโอกาสและเวลาในการสร้างบารมีของเราเนี่ยเหลือน้อยลงแล้วดังนั้นเวลาจึงหมายถึงชีวิตหมดเวลาก็คือหมดชีวิตเราเองก็ไม่รู้ว่าเรา จะเหลือเวลาอีกเท่าไหรมากหรือน้อยขนาดไหนล้อความตายนั้นน่ะไม่มีนิมิตหมายดังนั้นเรารู้อย่างนี้แล้วจึงควรใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่น้อยนี้ในการสแสวงหาหนทางพระนิพานโดยการทำใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรยัย ภายในกันให้ได้เราก็จะได้ชื่อว่าเกิดมาใช้เวลาในคุ้มค่าอย่างแท้จริงนะจ๊ะมิวาระพระบาลีที่ตรัสไว้ในจิตวักคาถาธรรมบทว่าณนะตังมาตาปิตาคเยราอันเยวาปณะญาตกา สัมมาปณิหิตังจิตังไส ย, ยโสนังตโตเครมานดาบิดาหรือว่ามูญาตทั้งหลายไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบพึงทำบุคคลนั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นมานดาบิดาหรือหมู่ญาต ใ้การเลี้ยงดูบุตรธิดาให้การศึกษาให้ทรัพสมบัติเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตในปัจจุบนันชาติได้อย่างสบายแต่ก็ไม่มีมารดาบิดาคนใดในยุคปัจจุบันนี้ที่จะสามารถมอบความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในวทวีทั้งสี่ให้แก่ลูกได้ ไม่ต้องพูดถึงโลกุตรสมบัติหรือโลกิยาสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นยิ่งถ้าเป็นโลกุตระสมบัติแล้วแล้วก็ยิ่งยากแต่ว่าจิตที่บุคคลตั้งไว้โดยชอบเท่านั้นจึงจะสามารถให้สมบัติเหล่านั้นได้ทั้งหมดเหมือนกับเรื่องราการสร้างบารมี ของพระราหุเหลเถระที่ตั้งจิตไว้ชอบจึงทำให้สามารถได้สมบัติใหญ่ทั้งหลายในอนาคตได้เมื่อตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ปทวินทรพยานนาคถวายมาหาทานกับพระบรมศาสดาตลอดเจ็ดวันและไดดตั้งความหลาะถนา ให้ได้บังเกิดเป็นพระอรรของพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตจากนั้นก็ได้ไปเข้าเฝ้าเท้าส ก, กเทวราชพร้อมกับท้าวิรูปักแล้วทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์กระทาบุญแล้วแต่ไม่ได้ปรารถนาให้มาเกิดในเทวโลกนี้พระเจ้าข้าเท้าส ก, กจึงตรัสถามหาสาเหตุว่าก็ท่านเห็นโทษ หรือความไม่ดีอะไรหรือญานาคทูลว่าข้าพลงไม่ได้เห็นความไม่ดีแต่อย่างใดแต่ได้เห็นอุปาเรวตนเนัตสัมมณีนผู้เป็นพระโอรสของพระปัถมุตระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความระทับใจจึงตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธชินโอรสในนาคตการพระเจ้าค่ะ เมื่อพยานนาคทูลชี้แจงให้ทรงทราบแล้วก็ทูลเชิญชวนว่าข้าแต่จอมเทพข้าพระองมีความประสงค์จะขอให้พระองค์ทรง ต, งตั้งความปรารถนาไว้สักอย่างหนึ่งเถิดเพื่อว่าเราทั้งสองจะได้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกันอีกไม่ต้องพัฒพ ร, รากจากกันในชาติต่อไป สำเด็จอัมเรนตราธิราชทรงรับคำของมัมยา น, นาคก่อมาได้ทรงทัศนาภิกษุผู้มีอนุภาพมากครบหนึ่งก็ทรงพิจารณาว่ากุลบุตรนี้ออกจากตระกูลไหนบรรพชาหนอขันทราบว่ากุลบุตรนี้เป็นบุตรของตระกูลที่มีบุญวาสนา และเป็นกลบุตรผู้มีศรัทธา ม, มากขอญาติมารดาพิดาออกบวชชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันยอมอดอาหารอยู่ถึงสิบสี่วันเพื่อได้บวชในพระพุทธศาสนาขันโลงร ง, ร, งรารแล้วก็ได้ทำสักการะบูชาแด่พระจินทสีอยู่ถึงเจ็ดวันจากนั้นทรงตั้งความปรารถนาว่า ข้าแต่พระชินเจ้าเดิมหน้าแห่งมหากุศลนนี้ขอให้พระพองค์ได้เป็นผู้เลื่อกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บวชได้ศรัทธาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนกับพระภิกษุผู้บวชได้ศรัทธารูปนี้เถิดพระเจ้าค่ะพระทถาคตเจ้า ทรงเห็นด้วยอนาคตังสยานว่าปณิทากเท้าสั ก, กจกสำเร็จจึงทรงัยากรณ์ว่ามหาบ่อพิษลูงจะได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บวชในศรัทธาในพระศาสนาของพระสมณะโคดมพทธเจา้าในานาข้อตการภายภาคบึงหน้าบอเวลาล่วงมาถึง พระศาสนาของพระปุษตะสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปที่92จากพรัตลกัปนี้ท้าส ก, กะเทวราชก็ได้เกิดเป็นเจ้าหน้าที่จัดทายธรรมถวายแก่ประสงค์โดยคอยรับใช้พระราชโอรสสมพระองค์ของพระมหินทราชาได้ทรงร่วมกันสมาทานศีลสิ และทรงบริจาคทานมาในพพชาติสุดท้ายท่านก็ได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีมีนามวรัฐบาลท่านได้ออกบวชด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เลศิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายผู้บวชด้ศรัทธา สมดังมนโนปณิธานที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ฝ่ายพญานาคปัทวินทร์กระเดกกลับมาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากิงกิส ร, ราชในสมัยของพระกัสสปะสมสมาสุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระรพนามว่าปัทวินทร์ราชกุ ม, มาร มีพระกณิษฐาภคินีอยู่เจ็พระองค์ด้วยกันพระกณิษฐาและพระภคินีทั้งเจ็ดพระองค์นั้นตอนก็พากันสร้างวิหารขึ้นเจ็ดแห่งถวายพระคัดสปะสั ม, มาสุปุตเจ้าภายหลังเมื่อพระราชากุ ม, มาร์นั้นได้รับตำแหน่งเป็นอุปราชก็ตรัสขอวิหาร กับพระกนิษฐภคินีทั้งเจ็ดโลงนั้นว่าพระน้องนางทั้งหลายวิหารทั้งเจ็แห่งที่นน้องทั้งเจ็ดได้ช่วยกันสร้างไว้นั้นเขาได้แบ่งให้พี่สักวิหารหนึ่งเถิดพระกนิษฐาภคินีทั้งเจ็ดพระองค์ต่างก็พากันทูลปฏิเสธว่าพระเจ้าพี่ แทนที่ท่านจะประทานแก่น้งนองๆแต่กลับมาขอแบ่งกับพวกเราพระเจ้าพี่ก็ได้เป็นอุปราชแล้วขอจงสร้างบริเวณวิหารขึ้นใหม่เถิดเมื่อพระปัถวินธร อ, อุปราชได้สดับเช่นนั้นแล้วก็สรงมีพระเวริยะอุสาหะสั่งให้สร้างวิหารขึ้นใหม่ เป็นวิหารที่มีกุติถึงห้าร้อยหลังแล้วผมก็ได้สั่งสมบุญกุศลจนตลอดพระชนชีพเวะลาจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกพุทธบาทการนี้พระปัทวินทร อ, อุปราชก็ได้มาบังเกิดเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะและพนางพิมพา ในเมืองกบิลพัุในวันที่ประสูติจากคันของพระมารดา น, นั้นตรงกับวันที่เจ้าชายสิท ธ, ธะทรงเสด็จออกพอนวดพอดีและทรงได้รับการขนานพระนามวราหุนซึ่งแปลว่าบวงที่ทรงพระนามเช่นนี้ก็เพราะว่าเจ้าชายสิทธะ ทรงอุทานในเวลาที่พระโอรสประสูติว่าลาหุลังชาตังพันธนังชาตังซึ่งแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วเครื่องพันธนาการเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าพราะราหุลท่านจะมีพระนามในความหมายว่าบ่วงแต่ท่านก็สามารถหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารได้ เรื่องราการออกพนวดเพื่อหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารของพระอราหุนกุ ม, มารจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็คงต้องมารับฟังกันต่อในวันต่อไปแล้วสำหรับวันนี้จากเรื่องราวที่หลวงพ่อที่เราให้ฟังเราก็จะเห็นได้ว่า การสร้างบุญแล้วตั้งความปรารถนาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเรือปราศจากหางเสือแล้วก็คงไปไม่ถึงจุดหมายของชีวิตชีวิตถ้าปราศจากการอธิษฐานจิตก็ยากที่จะไปถึงจุดหมายเช่นกัน การอธิษฐานจิตเป็นการตั้งผังสำเร็จให้กับตัวเราพอ ม, มีความปรารถนาเดี๋ยวความสำเร็จก็จะตามมาดังนั้นทุกครั้งที่ทำความดีเราก็ต้องอธิษฐานจิตให้ดีอธิษฐานอะไรก็ได้ที่ถูกต้องดีงามแต่จะลืมให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยนะจ๊ะเพราะ พระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกชีวิตและกำมันปฏิบัติธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งกันทุกๆุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิ์จากไม่พร้องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย กรอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยก้าวถึงพระธรรม ก, กายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเนธอรถิด